บ้านมาอันได้แค่เจ้าตรงเจ้าเจ้าหลังๆก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วถูกทุกคนแต่ถูกน้อยเพราะไม่เข้าใจคำว่าความทุกข์ ยังไม่เข้าใจกันเลยเรื่องความทุกข์เคยทุกตัวปฏิจจ a มุปาะบาน่ะตั้งต้นที่ความทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกหมดวิจาเป็นตัวทุกเป็นตัวทุกสังขารเหตุให้เกิดทุกให้ได้รอบ สังขารเหตุให้เกิดทุกข์กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารการกระทาทางกายพูดทางวาจาคิดทางใจที่ด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วเราก็เอามายึดมั่นถือมัน่นทาให้เกิดทุกข์แค่ตัวต่อไปอีกสังขารก็เป็นตัวทุกข์ แต่เกิดทุกตัวกลางหลังข้างหลังกลางหลังกลางหลังไปวิญญาณนี่วิญญาณกตัวทุกเอกนามโลกว่าตัวทุกเอกตั้งเป็นตัวทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกหมดเป็นตัวทุกหมดอย่าลืมว่าปฏิจจ ata โมปาบาททั้งหมดนั้นแหละก็คืออริยสัจสี่ที่ขยายออกไป ที่ขยายขยายออกไปโดยละเอียดสำมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องอันดับแรกก็คือเห็นเห็นทุกก่อนทีนี้เรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นเห็นทุกจริงเห็นทุกปรอมๆดังนั้นเลยเห็นทุกปรอมๆนี้ถ้าเรา ได้ศึกษาเรื่องของนางปตาจาราังินทุกจริงเล่ากันปีหนึ่งหลายหลายครั้งแล้วเรื่องนางปตาจารานี่นางปตาจาราเป็นลูกเศรษฐีในประเทศอินเดียสมัยโน้นนะสมัยพระพุทธเจ้าพ่อแม่ รักลูกสาวมากห้ามไม่ให้ออกจากบ้านเด็ดขาดนี่เป็นทุกไหมก็เป็นทุกแล้วเพราะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้มันเรียกว่ามันไม่ได้เปิดหูเปิดตาออกไปก็เสียคนอยู่ในบ้านก็เสียคนเสียคนได้ทังนั้นที่นี้เศรษฐีก็จะมีคนใช้ มาด้หญ้ามาตัดแต่งต้นไม้มาดูแลนั้นดูแลนี้ทำไว้เขาจะเอาผู้ชายมาเป็นคนชช้เพราะผู้หญิงอินเดียเนี่ยมันะทำอะไรไม่เป็นดังผู้ชายเลยต้องไปขอผู้หญิงดังนั้นผู้ชายดังนั้นเลยที่ทำงานในอินเดียเนะีอยู่มาอยมา มันก็ถึงเวลาที่จะคนหาเรื่องต่างเพศนั้นก็ได้ผู้ชายที่เป็นคนใช้นั่นแหละพอได้ผู้ชายที่เป็นคนใชก้ก็รักกันแล้วทํำยังไง ร, รักกันหนาก็ต้องพากันหนีที่นี่เนี่ยพากันหนีออกจากบ้านไปอยู่ในป่าในดงไปอยู่ แถวสลัมตอนแรกก็รักพี่จริงไหมรักน้องจริงไหมรักจริงรักจริงไม่มีอะไรกินกัดก้อนเกลือกินก็ได้มันได้เลกับก้อนเกลือท้องสามวันะหลายวันมันกินได้ยังไงเกลือมันเค็มจะตายไงอยู่มาอยู่ม า, มาก็คลอดลูกเขาคลอดลูกก็ลูก เริ่มที่จะโตขึ้นน่ารักขึ้นทีนี้แม่ก็ทนไม่ไหวแล้วก็บอกสามีว่าจะกลับบ้านแล้วจะว่ายังไงก็ว่ากันเพราะว่าแม่จะค่าจะแกงก็ยอมทางนั้นโอ้อย่าเพิ่งไปเลยอย่าเพิ่งไปสามีบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้ลูกโตหน่อยอกว่าลูกจะโต แต่คนที่สองก็ป่งขึ้นมาอีกนั่นโตไม่ตันทีนึงป่งขึ้นมาป่งขึ้นมาป่งขึ้นมาอมันจะถึงเวลาแล้วเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแล้วโห้ฉันไม่อยู่แล้วไปเลยทีนึงภรรยาไปเลยภรรยาไปก็สามีก็ไปนดี๋ยวไม่ได้ต้องไปกัน ไปในป่าดงอ่ะมันคงจะมีทางเดินะในป่าน่ะไปในป่าดงทีนี้ฝนก็ตกหนักเนี่ยทุกขนาดไหนแล้วเนียมันลงโทษแล้วถูกลงโทษแล้วฝนตกหนักฝนตกหนักเอ๋อตัวเองก็ปวดท้องจะคลอดอ๋อแล้วอ๋อแล้วคลอดคนที่สองจะบอกสามีว่าไป หาใบไม้ใบไล่ามาทำที่มุงที่บางหน่อยสามีเขาไปได้มีแได้อะไรไปไปถึงที่จอมปลวกไปตัดเก่งไม้ไปตัดอะไรมาทำประรำขนมันตกหนักงูพิษมันก็ออกมาจากหัวปลวกพ่นพิษมันมีงูพิษ ช, ชนิดหนึ่งเนี่ยเหมือน กูจงอางอย่างนั้นเนี่ยหรือว่ามีจงอางนั่นแหละประเภทหนึ่งพอมนพนพิษก็โดนก็ตายเลยก็ไปนั่นว่าสามีก็นอนตายอยู่ข้างจมปลวกตรงนั้นภรรยาก็ปวดท้องขนก็ไม่ได้ตกพรำๆตกอย่างหนักเลยทั้งขนทั้งลมตกตกตกตกกกตกไม่ลืมหูไม่ลืมตา ให้ลูกชายคนโตคนท็่โตขึ้นมาแล้วนั่นะมันก็ร้องไห้จ้าเนียมันไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วแม่ก็คลอดลูกออกมานยร้องไห้กันที่ น, นี่แม่ต้องคล่อมคล่อมลูกเอาไว้สี่ขามือสองขาสองแขนเนี่ยนะเป็นสองขาขาสองขา น้ำก็จึงจึงจึงจึงจึงลงคิดดูดิมันเป็นทุกขนาดไหนแล้วไม่ต้องร้องไห้ดอกน้ำตาจะวันมันลงมาแล้วนนะก็เลยจนสว่างจนสว่างก็อ้มลูกคนเล็กลูกคนโตก็จูงไปไปดูว่าไหนสามีไปไหนไป หาใบไม้มาตั้งแต่ไม่ค่ำป่านนี้ ย, ยังไม่กลับไปถึงก็นอนตัวเขียวอยู่แล้วเพราะตายแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนอนวานนอนตายแล้วตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทีนี้กลับบ้านอ้มลูกคนเล็กไปยังแดงแดงอยู่ คนโตก็ไปเดินตามหลังไปจูงไปอะไรไปเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนลองคิดดูถ้าเราเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาใจเราเนี่แหละไปใส่ในใจของนางปตจารานะเดินไปเดินไปเดินไปเดินไปก็มีแม่น้ำตามปกติน้ำอาจจะไม่เลือกหรอกแต่ฝนตกเมื่อคืนน้ำก็ไหลแรง น้ำก็าแค่ขาอ่อนมันจักจะลําบากแล้วทีหนึ่งจะข้ามน้ํำยังไงก็เลยข้ามน้ำโดยการเอาลูกนคนเล็กวางเอาไว้ขวางนี้แล้วเอาลูกคนโตพาไปไว้ขวางโน้นพอเอาลูกคนโตไปวางแล้วก็กลับมา กลับมาถึงกลางแม่น้ำแม่น้ำมันไอยเชี่ยวแกาออ้าอ่อนเยี่ยวยเยี่ยวนั่นแหละมันก็ผ่านมามันหาเหยื่อมันก็เห็นเด็กที่คลอดเมื่อคืนน่ะแดงแดงอยู่มันก็คิดว่าก้อนเนื้อมันก็ลงมาลงมาโชบ นางพอเห็นเขาทำมือไหวมือเชือเชื่อเชื่อเชื่เชื่ อ, อ, อ, อนั่นไมือที่เดียวก็เอาไปเอาไปลูกคนเล็กข่าใจผิดเกิดว่าแม่นันเรียกหาตัวเองกระโดดลงไปอีกน้ําก็พ า, พ, าพ้นไปติดไหนก็ไม่รู้นี่ความทุกข์ขนาดไหนนี่ทุกข์ขนาดไหน ้องคิดดูทุกขนาดไหนนี่ให้รู้จักกรรวทุกข์กันเถอดีนี้เดินกลับบ้านขับไปหาพ่อหาแม่เศรษฐีก็ถามคนที่กลางทางว่าเศรษฐีสามีภรรยาสองคนน่ะยังอยู่ไหมเขา อ, อยู่อะไรอ่ะเมื่อคืนหนอพายุหนัก ประสาทก็ถล่มลงมาทั้งสองคนน่ะตายใตย้ซ า, ากของไอ้นั้นแหละของประสาทนั่นแหละที้ธรรมดาคนอินเดียพอตายแล้วก็เอาไปเผาเลยเขาบอกว่านุ่นตายแล้วน่นเอาไปเผาแล้วเขาไม่ทำอะไรดอกนกกรกรับเอาไปเทือน็เอาไปเผาเท่านั้นคนอินเดีย ทนี้เอาใจไว้ตรงไหนดเนี่ยเป็นอย่างนี้เอาใจไว้ตรงไหนนั่นคือความทุกข์เนี่ยนางก็เลยรับไม่ไหวเป็นบ้าเลยเนี่ยทุกข์จนเป็นบ้าเห็นไหมนี่คือเรื่องของความทุกข์นี่นี่หลวงพ่อเรียนบาลีมานี่คือเรียกว่าทุกตัวอักษตรต้องแปลให้ได้ ภาษาบาลีแปลออกมาเป็นภาษาไทายให้ได้เนี่ยมันก็เลยตั้งใจมันตั้งเอามาพูดเอามาปฏิบัติมันก็สะดวก เ, เรื่องของความทุกข์ทีน่นี้นางก็เดินหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างผ้านุ่งป่าโฮมก็ไม่มีแล้วผมก็ยาวเฟ้ยแล้วตอนนี้เป็นนางบ้าแล้วตอนนี้ บ้าจริงๆไม่ใช่บ้าเล่นๆบ้าจริงๆพอกปรุงแต่งคิดถึงสามีอตอนที่อยู่กันมีความสุขก็หัวเราะค้าก้าก้าพอคิดถึงสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตายเราง่ายอีกเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ อยูอย่างนั้นนะแล้วก็ก่อก็กินแต่นี้อาหารก็ก่อก็กินก็ประทังประทังไปอย่างนั้นพอถึงเวลาที่เจตาวันเนี่ยวัดเชตาวัน่ถ้าใครไปอินเดียไปที่เชตาวันแล้วก็คงจะเห็นอ่ที่หน้าวิหารเขามีถั่วเล็กๆแล้วนางปาตาจาราก็ใส่กระดูก นปจัจจะยตรา ว, วัตรที่ตรงนั้นนางเป็นพระโสดาบันตนแรกเทนี้ตอนเย็นเย็นคนก็จะไปฟังธรรมที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้านี่พระองค์จะไม่ว่างเลยะตอนเช้าไปบินตาบาตไปวินตาบาตก็ต้องไปโปรดที่ตรงหน่อยจ้านี่นั่งหลับตาหน่อยหนึ่ง แล้วก็ผ่านแล้วผ่านสายตาแล้วผ่านสายตาภายในอ่ะก็วันนี้จะไปโปรดใครเนี่ยต้องไปโปรดคนที่เขามีความทุกข์หรือจะถึงตายอย่างเนี้ยจะทําอย่างนั้นเป็นประจําำวันนั้นก็องค์ไปโปรดคนหนึ่งกำกำลังไถนาพอกําลังไถนาคนนั้นกําลังไถนาทีนี้ นามันรกก็เลยเจอถุงเงินดีใจทีหนึ่ดีใจพระพุทธเจ้าเลยยืนอยู่ที่คันนาท่านบอกว่าอันนั้นงูพิษงูพิษงูพิษอ่านั่นไม่เชื่องูพิษยังเอยเงินทังนั้นทีหนึ่งเจ้าของก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขามา มาถึงก็จับองค์นั้นคนไตนาเนี่ยทำยังไงทีนี้คนไตนาบอกว่ า, าผมไม่ได้เป็นโจรโจรไม่รู้อยู่ไหน่อยออมาซ่อนไวท้ทีนี้ใกรเป็นพยานโน่นนะพระที่ยืนอยู่ที่คนานานี่อ้างพระพุทธเจ้าทีนี่ะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้กวง แล้วเขก็ไปจับโจรได้นายคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันไปนี่เช้าพระองค์ต้องทํางานไปโปรดเนี่ยไปโปรดนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำเป็นพระเป็นจีเป็นเนรเป็นอะไรไม่ใช่ไปโปรดเขาไปให้เขาโปรดเพราะเขต้องให้ข้าวให้น้ําเราอะไรเเานี่ยังนั้นหลวงพ่อนี่เวลามีอะไรขึ้นมา เช่นไปทางประเทศไม่มีอะไรก็ซื้อกุญแจมาพอจํานวนคนที่เขาตัก บ, บาทก็มาแจกแกะแกะแกะแกะโปรดเขามั่งต้องซื้ออะไรที่เขียนแล้วก็พิมพ์ใหม่ก็แจกแจกะแกะแกทุกบ้านแจกงซื้ออะไรที่เขีนแล้วก็พมพหก็แจกแกะโปรดเขาบ้างต้อง้ออะที่เข้วก็ถามว์มมใหม่ก็แจกแกะแกะแกะแกะโปรตเ้พร ก็พระนี่พอบินตบาทเสร็จแล้วก็พโยงก็ตักเสกย่าท้าวอริวหาปูราปาริผลเยมันไม่ใช่ที่ก้างถนนอะไรไปย่าท้าวอริวหากันนี่ได้ธรรมเนียมมาจากกรุกเทพแต่ของพระนี่ตามธรรมเนียมจริงๆเรียกว่ายาถาทาเหมือนกัน ยาถาที่เนี่ยที่เราทวดเนี่ยยาถาปัจจยังปฏิสังขายโยอัจฉริยานะยะถานัในเวลารับบาตรยาถาปัจจยังปวตมานางังธาตุมัตเมเวตังยติตังปินตาปโตธาตุกบคนจะก็พิจารณาเป็นของว่างน่นั่นเนี่ยหน้าที่ของพระไม่ใช่ไปยืนยะถาอยู่กลางถนนผิดระบบหมดเลยเดียเ๋ยวนี้ไม่เอาหมดเลย เนี่ยการรับพอรับเสร็จแล้วออกกรอฉันเนี่ยเราต้องทําอย่างนี้ก่อนฉันก็ปฏิสังขารโยฉันเสร็ จ, จแล้วก็อัจฉริยะแต่หลวงพ่อก็รวบไปทีเดียวเลยรวบไปทีเดียวเล ย, ท, เ ย, เลยที่เราว่ากันอยู่ทุกคนเนี่ยนี่คือหน้าที่หน้าที่ของพระต้องทําอย่างนั้นต้องพิจารณาก่อนตอนที่รับมาก็พิจารณา ก่อนที่จะฉันก็พิจารณาฉันเสร็จแล้วก็พิจารณาพิจารณาทำไมพิจารณาเห็นเป็นของว่างไม่ใช่ว่างไม่มีว่างจากตัวตนคนฉันคนกินคนทานก็ว่างจากตัวตนเพราะราต้องทำให้จิตว่างพิจารณาอะไรที่เข้ามาสัมผัสได้เป็นของว่าง เห็นเป็นของว่างจากตัวตนนี่แหลก ว, ว่าวิญญาณว่างวิญญาณอาวิชชาตังการวิญญาณคือตัวความรู้สึกเห็นเป็นของว่างสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นของว่างเนี่ยเป็นของว่างกันไปหมดนี่เขาทำอย่างนี้ก็เลยบอกว่าถ้าโยมจะรับปอนก็ไปรับที่วัดก็ไปว่าร้อมกันเลยที่นู้น เนี่ยเสียระบบหมดอะไรก็เสียระบบหมดเดี๋ยวนี้ลองพ่อไปตรวจเลือดเพราะว่าจะไปตรวจเลือดในตอนเช้าโรงพยาบาลนครทนนัดหมอนัดผู้อำนวยการไว้เรียบร้อยไปเต็งก็จังน้ำหนักวัดความดันตรวจเลือด พระมหาบินฑบาลยาตาวะลิวาพูราโอ้ขายหน้าเหลือเกินโอ้พ่อขายหน้าจริงๆเลยนี่นะไม่รู้ว่าระบบเป็นอย่างไงเนี่ยเสียหายหมดเลยนาะสงเดี๋ยวนี้ใครทําอะไรก็ทำไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีอะไรมันต้องมีระบบต้องมีระเบียบ รถสังกัราชก็ดีโสมเด็จต่างๆก็ดีที่ก็ตั้งเอาไว้ตกลงว่าตั้งเอาไว้ทําอะไรไม่รู้หาเงินลูกเดียวจะได้มีรถเบนซ์จ ะ, จะได้มีพิพิธภัณฑ์รถอะไรต่ออะไรเนี่ยจ ะ, จะได้ร่ํารวยเนี่ยมีอย่างนั้นเนี่ยไหวโยม อ, อย่างเนี้ยกตญจนาของเรารอดไม่รอดเนี่ยนจะไหวอยอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ช่วยกันถ้าเราทุกคนนีต้องช่วยกัน ต้องช่วยกันช่วยยังไงช่วยปฏิบัติอะไรไม่ถูกต้องเราไม่เอาเวจะมีเงินมากแล้วก็ไปอนุโมทนาอาทรตุไม่ใช่เอางนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นกาตนามีว่าจำรานไปเอามาปฏิบัติเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะแก้ทุกขไงมันมีเท่านั้นทีนี้เราไปเรื่องอื่นหมด ลาบคือก้าวของเงินทองยศแบกเห็นไหมปัดยศ น, น่ากลัวนาปัดยศเนอะน่ากลัวลาบยศยศเนี่ยต้องซื้อนะเป็นแสนเป็นล้านนะโยมอาจจะไม่รู้ก็ได้หลงพ่อโชคดีมากตอนบวชครั้งก่อนตั้งแต่เป็นเนนอายุสิบห้า ติบหกติบเจ็ดติบแดิบ้ายี่สิบก็ยี่สิบอ็ดเนี่ยคือตอนนั้นก็อยู่วัดโกฮาตสวรรค์พออยู่อยู่วัดโกหาตสวรรค์ก็เรียนได้มาไปเรียนก็เก้ากรุงเทพก็เก้ากรุงเทพเแ็่แล้วก็ไปอยู่วัดหนึ่งเพาไปอยู่วัดหนึ่งก็เรียนอภาษาอังกฤษ ป, ประเทศภาษาอังกฤษหกเดือน จ ะ, าาะก้าวมหามกุฏวิทยาลัยวัดบวรให้มีพระรูปหนึ่งคือท่านก็เสียชีวิตไปแล้วที่เป็นพระผู้ใหญ่คือพระธรรมโกษาจารย์แล้พี่สาวของท่านหลวงพ่อก็รู้จักดีอยู่ใกลวัดถท่นึงเป็นยังไง เ, เราสนิทกันดีอะไรดีท่านก็มีลูกสาว ลูกสาวเป็นครูใจหลวงพ่อก็ไม่ยุ่งหรอกไม่จใจเรื่องนี้แกก็ว่ามาอาชัมาากมาอาชักพรุ่งนี้ว่างไหมบอกว่าว่างโยมมีธุระอะไรก็โยมจะไปหนองปลาไหลอยู่ตรงไหนไม่รู้หนองปลาไหลหนองปลาดุกแถวนั่นเนี่ยนครปฐมนอกนอ ก, น อ, กออกไปอันนห้โยมไปทําอะไรก็ไปนั่งรถไป ก็นั่งรถไปไปถึงวัดชื่อวัดอะไรหลวงพ่อก็ไม่ได้จำแบบไปถึงวัดก็ อ, อ๋อนี่ทา่านท่านเจ้าคุณมีอฐานาเกือบพระครูมีฐาน า, าจะให้ปฏิดยศท่านให้พระครูท่านแต่ท่านจะต้องอทำบุญหน่อยเพราะว่าท่านเจ้าคุณกำลังสร้างโบสถ์ โอ้ยตด้นี่พระผู้ใหญ่ก็ขายกันกขา้ยศกันอย่างนี้หลวงพ่อกลับหลังหันหน้าเดินเลยโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้กรุงเทพนี้กลับไปซึกดีกว่าพระผู้ใหญ่ทำอย่างนี้นั่นแหละช่วยทันเลยช่วยทันก็อีกไม่กี่วันหลวงพ่อจะข้าหม า, าวิยาลอยแล้วผไม่เอาแล้วหม า, าวิยาลอยไม่ลอ่ะ ไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วกลับไปเชื่อดีกว่าถ้าพราะผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้เห็นไหมบุญหลวงพ่อบุญช่วยเลยได้กลับมาเชือ่อกลับมาเชื่อ ก, ก็นั่นเนี่ยพ่อจอทองภายร้อยห้าลวงพ่ อ, พ อ, อบรรืบจนพบได้นังสือนั่นเนี่ยนังสือกล่มือมนุษย์ของท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นแหละไปเลยเี๋ยนี้ไปเลยไม่ต้องเที่ยววิ่งหา ไปเลยแต่หลวงพ่อก็พร้อมแล้วก็บาลีนักธรรมอะไรก็เรียนมาพร้อมแล้วนี่โชคช่วยนิดเดียวนี่ตรงนั้นนิดเดียวก็คิดเหมือนโยมนั่นแหละจะเรียนได้ได้ปริญญาต่อไปก็ได้นุ่งกางเกงรองขาชู่ขาเดียวไม่ได้ผ่าถุงเนื้อกระบงเนี่ยมันกว้างดีนี่ ก็เลยนี่แหละได้มาอย่างนี้หละเนี่ยโชคช่วยโชคช่วยแต่นี่ความทุกข์ต่างๆมันตัวเยอะแยะแหละเราออกมาข้างนอกนั่นเยอะเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรกัความทุกข์ทั้งนั้นเนะ่ยทีนี้นางว atra าาราเนี่ยนั่นเนะี่ยนางโชคดีโชคดีตอนปลายตอนเย็นคนเขาก็ 5คน10คน20คนเดินไปทางคันนาไปควางทำพระพุทธเจ้าตอนภาคตอนเย็นถ้าจนคำ่ำนางนี้ก็ไม่รู้เอ็งก็เดินปเป็นแถวก็เดินมั่งเดินตามหลังเขาไปเ็ารู้แล้วทุกคนรู้แล้วอนี่อ้นี่มันบ้าผมก็ยาวเฟื้ยป้าก็ไม่นุ่งด้วยนี่ถึงขนาดนั้นเนอะ บ้าถึงขนาดเราผ้ายังไม่นุ่งเลยเดินตามหลังเขาไปตามหลังก็ไปนั่งควงังคำแล้นั่งควังคำจากพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันไปนั่งข้างหน้าธรรมมาดเลยผ้าไม่นุ่งไหมขนาดไหนนั่งข้างหน้าธรรมมาดเลยนัย่งประนมมือไอ้นี่ก็พระพุทธเจ้าพระองค์จัดเรื่องอะไร เรื่องความทุกข์ทุกเหตุได้เกิดทุกความดับทุกขนทางถึงความดับทุกนี่ทุกเนี่ยเรื่องอริยสัจสี่ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเหตุได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเหตได้เกิดทุกเราละได้แล้ว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 อริยมรรคีองแปดเราปฏิบัติให้เจริญแล้วให้ถึงจุดแล้วแต่ไม่เกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วนี่ต้องตรวจทุกวันอริยมรรคีองแปดไม่หนำใจก็ปวดมันตรวจมันสามครั้งเลยตรวจแล้วออกมาคิดอีกออกมาคิดอีกทีนี้ไอ้ที่ต้นปลายต้นปลายที่ว่า ชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามรณะปีทุกขงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความรักพราดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะว่าโดยโย่อุปาทานขันคือความยึดมัน่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณงัน นั่นแหละคือตัวทุกข์เพราะเราก้าไปยึดมั่นถือมัน่นเทนี้มากดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสตรัสตรัสนึนพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนาวันนี้เพราะว่าพระองค์ต้องการที่จะโปรดนางปตาจาราคนที่มีความทุกข์ที่สุดความเกิดเป็นทุกข์ก้าวใจไว้ดีไม่ใจะเกิดจากตรงแม่ อันนั้นมันคลอดลูกหมูลูกหมาลูกแมวลูกวัวเกิดได้ทางนั้นอย่างนั้นอะ่ะแต่เกิดของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกเกิดในหมายถึงเกิดความรู้สึกความรู้สึกตัวนั้นที่ถูกยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั้นไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นเกิดนั้นก็ไม่มีปัญหากับเรา เราก็ไม่ได้ทุกข์หรอกแต่ความเกิดที่เป็นทุกข์อย่างนางปาตาจารานี่พอเกิดเกิดทางจิดอ่ะพอเกิดขึ้นมาร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเวลานั่นมันบีบมันถูกบีบคั้นนั่นคือความเกิดที่เป็นทุกข์พอคิดถึงสามีมื่อก่อ น, นู้นหัวลวกาิดกะคิกกะกิดก คนเดียวนะเนี่ยพ่อคิดถึง่งสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตา ย, ตา ย, แ, ตายแล้วง่ายต่อนั่ น, นแหละเกิดทั้งนั้นเนะี่ยนั่นแหละคือเกิดเกิดที่เราควรรู้จักว่าความเกิดที่เป็นทุกข์คือเกิดความรู้สึกที่ประกอบด้วยอุปาทานคือประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความเกิดที่เป็นทุกข์ความเกิดที่มันไม่ทุกข์มันก็เป็นแก่นั้นเอง ธรรมดาเป็นแก่นั้นเองมายึดมั่นถือมั่นมันมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อมนมายืมไปะยืมมาให้แน่ให้แน่ให้แน่แสนหนึ่งล้านหนึ่งก็จต่แล้วปิ้วเอาท า, างหัวมาันอย่ากไปเอ า, าตายก็เอาไปไม่ได้เราอยากโง่เองก็จบไม่ใช่ไปเกลียจแค้นก็อะไรก็อะไรยิ่งหนักก็ไปอีกจะไดงว่ามันหักดอกอะไอย่างนั้นเ เราต้องเสียดอกง่ายมันอีกโง่แล้วมันโง่ไปเช็ต่อไปอย่าโ ง, ง่บอกตัวเองว่าอย่าโ ง, ง่อีกต่อไปไอ้คาหวานเนะี่ยมันมียาขมอยู่ภายในอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนกีหลังก็จะจนใจเองนี่บอกว่ากูอย่าโ ง, ง่อีกต่อไปบอกอย่างนั้นนะบอกอย่างนั้นทุกคน ประสบมาอย่างนี้ทางนั้น้องประสบมาอย่างนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ยังประสบเลยนี่แหละอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อเอาไว้ก่อนคนพูดดีพูดหวานนี่จั่งน้ำหนักก่อนว่าจะหวานถึงไหนเปอร์เซนต์น้ำตาลเท่าไหร่ต้องรู้ฉะนั้นต้องเอาความจริงเข้าว่ากัน นี่ทำไมเวลาก็ยืมเงินยืมทองนี่ต้องเอาโฉนดที่ดินอะไรต่เราไปวางไปตั้งไว้เนี่ยมันเพราะอย่างนี้เห็นไหมั้ยนะครับมันเกิดความทุกข์ทีหลังทุกเกิดได้เกิดทุกนี่ยิ่งมีทุกมากมากแล้วยิ่งดีแต่ไม่ใช่พอมีทุกมากมากแล้วก็ปูก็อตายอันนั้นไม่มีทางออกแล้ว พอมีทุกข์มากมากมันวีบคั้นเราเราก็ใช้หลักธรรมที่เราเรียนมาหรกอามาปฏิบัติมานี่เราก็วิจัยทีนี้วิจัยว่าความทุกข์เนี่ยมันคืออะไรนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันอะไรความเกิดเป็นทุกข์นี่นั่นแหละความเกิดที่เป็นทุกข์แล้วความเกิดที่เป็นทุกข์แล้วบอาเกิดตีทุกข์ตีเกิดตีทุกข์ตีเกิดตีทุกข์ตี นเี่ยเรากล้าไปยึดมั่นถือมั่นมั น, มนไอตัวนี้แหละสาคัญมากที่เรากล้าไปยึดมั่นถือมันเนี่ยความเกิดที่เป็นทุกข์ไอ้นี่นอกนั้นก็ทุกข์ย่อยย่อยความแก่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ไปโอ้ไปกลัวความแก่ก็แก่ไว้ที่กช่างหัวมันไม่ต้องไปไม่แก่หรอกมันไม่มีไม่แก่เนี่ย ทุกอย่างแก่ทางนั้นต้นไม้ต้นล่า ห, หมูหมาแมวเป็ดไก่แก่ทางนั้นที่เกิดมานี่แก่ทางนั้นในนนบไม้ใ บ, บเดียวก็ยังแก่เลยดอกไม้เช้าบานเย็นแก่ร่วงแล้วนี่ก็ศึกษาที่ธรรมชาติกันศึกษาภายนอกกันเรามีความเกิดเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดานั่นแหละว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันโอ้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเลยธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมดาธรรมดายังไงธรรมะธรรมชาติมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วไปยกเว้นเราไม่เป็นธรรมชาติที่กินที่ใช้ที่หายใจอยู่ในธรรมชาติต่างนั้นนี่ก็ธรรมดานี่จากนั้นเมื่อ ความแก่ก็เป็นธรรมดาความเจ็บก็ธรมมมธรมดาความกาความตายก็ธรรมดามันธรรมดาหมดเลยจะไปกลัวอะไรทีเนี้ยต้องมีอาวุธลับพิเศษต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าแต่เราต้องปฏิบัติเราไม่กลัวธรรมดาหมดแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาบ้าบินนะบ้าบินก็ไม่ได้นี่ต้องมาด้วยที่มีเหตุผล มีเหตุผลดูข้างๆเรานี่มีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทางนั้นเลยลูกไก่ลูกเจียบนกนักอะไรนี่ต้นไม้ต้นลาย<ส>เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราทางนั้นเลยอ้าเราโง่กว่าเลยทางนี้แต่พูดได้เจ็บแสบกว่าว่าหมามันแก่มันไม่ได้เป็นทุกข์เลยเราเนี่ยมันโง่กว่าหมาเห็นไหม ม้ามันไม่ได้เป็นทุกข์มันไม่ได้อะไรให้กินมันก็กินไม่ให้กินมันก็หาวองถามครั้งมันก็กินน้ําเอาอะไรเอาออย่างนี้มันไม่ได้เป็นทุกข์เนี่ ย, ย ค, ความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาทุกอย่างมันปฏิบัติให้มันเป็นธรรมดาให้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาอมเอาจิตออกเถอะจิตก็เป็นธรรมดาเกิดดับเป็นธรรมดาร่างกายก็เกิดดับเป็นธรรมดาเนี่ยเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่างมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นทางนั้นเลยทีนี้นางปาตาจาราเนะ่ะพอท่านเหน็นทุกอย่างนั้นแล้วเป็นยังไง ตอนที่นั่งควางตำ่ำอไม่ได้สนใจอะไรนั่งคว้างคว่างคว่างคว่างนั่งอ้าขาอ้าเข่ง น, นั่งก็ไม่เรียบร้อยเชื่อว่าปิดอกก็ไม่มีอปิดที่รับก็ไม่มีพอรู้ขึ้นมารู้โอ้นี่ความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ความทุกข์เป็นอย่างนี้เองความเกิดเป็นทุกข์นี่คือเกิดความรู้สึก นางก็เข้าใจเว็บก็ไปทันทีเลาเข้าใจแล้วก็นั่งนั่งยองยองดิเอามือปิดเอาปิดหน้าอกปิดอวัยวะเพศพระพุทธเจ้าโอนางมีสติแล้วเอาผ้าอาบน้ำขนนี่กว้างไปให้นั่นแกนนไม่นางก็เลยเออกมาคลุม อป้าอาบนําขวนของพระพุทธเจ้านะี่ยขอบวชทีหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ให้บวชเป็นนางภิกษุณีพอเป็นนางภิกษุณีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินางภิกษุณีเขาใจอยู่ฝั่งหนึ่งคือที่อวัดเจตาวันอนะ่ะขวางนี้เป็นของพระขวางนอนก็เป็นสายน้ําเล็กๆกัน แล้วเป็นของนางภิกษุณีภิกษุณีก็ห้าร้อยรูปพระก็ห้าร้อยรูปถ้าหล่ยลองคิดดูทีนี้นางก็ปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งเดินจงกรมนั่งธระมาทิไปวินทบาทอะไรพอถึงวัน่ะที่นางจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เน่ะนางก็เดินจงกรมกลางกางกุฏิ คือกางกกุฏิแถวนั้นนี่คงจะเป็นทรายทรายนุ่มๆเดินเดินจงกลมโดยการพิจารณาทำถึงตั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนอย่างเนี้ยนางก็พอเดินแต่แล้วอากาศมันร้อนก็จะขึ้นกุฏิมาถึงก็ล้างเท้าก่อนเพราะทรายมันจะติดเท้าขึ้นไปข้างบนกุฏิ อร่างเต้าน้ำมันก็ไหลไหลไปไม่เท่ากันไหลไม่เท่ากันอะไรไม่เท่ากันทีนี้นางก็เห็นเนี่ยความเกิดที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเหมือนน้าที่มันไหลคือความเกิดน้ําที่มันไหลไปมันไม่เท่ากันเรื่องที่เราคิดเนี่ยจะไม่เท่ากันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องอะไร เขาเกิดดับเกิด per ด er ับเกิดดับพอคิดนิดหนึ่งก็ดับไปเอาเรื่องใหม่เกิดดับปเรื่องใหม่เกิดดับอยคิดอยู่นั้นคิดไปโอ้นี่ความเกิดที่เป็นทุกข์เลิกมันดีกว่าไม่ใจกูไม่ใจกูคิดความคิดเกิดดับว่างจากตัวตนอยู่สงบคิดได้คิดด้วยสติปัญญาสลัดทิ้งไป คิดด้วยสติปัญญาแล้วก็สลัดทิ้งไปไม่ใช่กูคิดปัญญาคิดแต่ถ้ากูคิดมันยึดมั่นถือมันแต่ถ้าปัญญาคิดมันเห็นความจริงแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมันก็สลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปสลัดทิ้งไปไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปกินยานอนหลับไม่ได้ยกอย่างนั้นนี่ยาของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าพอเป็นพระรานฎรมาความจบ คิดอะไรก็คิดเรื่องจิตที่มีสติปัญญาหมดเราจะเอามาจากไหนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอริยมรรคไม่องแปรก็ไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุได้เกิดทุกไม่รู้ความดับทุกไม่รู้หนทางถึงความดับทุกขนี่แหละสําคัญมากมายเหลือกเกินจะศึกษาอะไรก็ศึกษาไปเรียนอะไรก็เรียนไปแต่ถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้ไม่ปฏิบัติเรื่องนี้ อย่าไม่รู้อริยสัจฉะนั้นสัมมาทิฏฐิองแรกนี่สําคัญที่สุดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริอยสัจอริยสัจทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้พอกําหนดรู้แล้วก็สลัดติ้งไปทีนี้มันไม่อย่างนั้นนี่มันไม่รู้จักทุก เราไม่รู้จักทุกมันก็ไม่ทุกวันอืมันอยู่แต่กับความทุกความคิดที่เป็นทุกการกระทําที่เป็นทุกเนี่ยเราไม่เป็นทุกสังเกต ด, ดูเราทํางานกลางแดดโจ้งๆเลยเราไม่เป็นทุกเนี่ยเพราะเราไม่ยึดมันม่นหรือมั่นโอ้ทํางานสนุกื่อก่อนที่มาใหม่ๆเวลาจะหยิบอะไรหน่อยกูจะติดดินถอนหญ้าสองนิ้วอย่างนั้น ตอนนี้ดินกระโโบทก็เดี้ยดไปเลยดูดิสังเกต ด, ดูตัวเองดินั่นเน่ยมันขนาดไหน่ยนี่คือเราทํางานด้วยจิตว่างเราไม่ยึดมันถือมั่นมั น, นก็กเพิ่มพลังพลังจิตก็เพิ่มพลังปัญญาก็เพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเเนี่ยพราะเราก็ทํางานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ต่อไปนี่หลวงพ่อทําอย่างนี้นี่แหละแค่นั้นเราต้องศึกษา ทำงานทุกแงนิดด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างทุกอย่างทิ้นมันไม่ใช่ข อ, อ, องกูที่อ่ะหลวงพ่อก็ไม่ใช่ของกูที่งานนั้นเราปลูกต้นไม้เราปลูกสนเป็นป่าคนมาถึงอู้สบา ย, ยวัด น, นี้พอแล้วแกนั้นพอแล้วที่เขาสบายเนะี่ยเพราะเขาเห็นธรรมชาติเราทําถนนกันอะไรกันอพอปกองที่เนี่ยอู้หูไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้ว ไม่ต้องปล่อยสวิตแล้วนี่เมืองนอกนี่พอแล้วได้แค่นั้นเราพอแล้วเนี่ยเราทำให้เพื่อนมนุษย์เพราะเขาอยู่ที่บ้านของเขายึดมนรูปของกูหลานของกูเลนของกูทรัพย์สมบัติของกูออกขึ้นมาถนนกดแรกหายหมดบ้านช่องโอ้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ความยึดมั่นถึงมันมันลุดไปไม่รู้ตัวเลย นี่แหละมันขนาดหน่อยเนี่ยเราทำบุญเหมือนกับว่าเราทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์แค่นี้ก็พอแล้วแน่นไหมความทุกข์มันจะลุดไปทันทีแต่แล้วพอกลับไปถึงบ้านข้าวมาครอบอกีกนั่นแหละเพรามันยึดมั่นถึงมั่นอีกฉะนั้นเราทำให้เพื่อนก็สบายด้วยเราเองก็สบายด้วย มันจิตมันจะโลง่งมันจะโล่งหมดอะโล่งหมดพอได้โอ้สวยจริงสบายจริงอะไรจริงอย่างนี้แต่ถ้ามาถึงเห็นโล่งแล้วออไม่ไหวกูไม่เอานีไม่ไปแล้วไปเชิญเลยไปโรงยาบาลประสาทนั่นเน่ยอย่างนั้นก็เข้าโรงยาบาลประสาทได้เลยเห็นัหมฉะนั้นอริยสัจสีนี่นี่ปอ โยมจะต้องไปศึกษาใหม่ปฏิเสมบาตแล้วก็อยพูดกันใหม่วันต่อไปอวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้